สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าวันนี้เรากลับมาพบกันในเรื่องลี้รับอีกแล้วนะครับเรื่องลี้รับที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นตำนานครับตำนานที่เกี่ยวกับพรานท่านหนึ่งบางเอิญผมไปพบเจอข้อมูลจากในเว็บของพันทิพย์มาคิดว่ามาสนุกดีก็ลเลยจะนํามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันครับตำนานที่ว่านี้จะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยนั้น เรื่องราวความลี้ลับความน่ากลัวแห่งผืนป่าที่เกี่ยวข้องกับเสือสมิงวิญญาณไพรและผีป่านั้นยังมีความลึกลับซับซ้อนน่ากลัวมากกว่านี้และณเวลานั้นยังมีพรานป่าล่าสัตว์ที่มีวิชาอาคมเข้มขลังท่านหนึ่งนามว่าพรานแดงพรานแดงคือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมอันเข้มขลังมาจากบิดาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยปู่ตั้งแต่สมัยทวดพรานแดงท่านนี้มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งนามว่า พรานดํพรานดำคือคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องวิชาอาคมสักเท่าไหร่เหมือนเพื่อนรักของตนเป็นพรานที่เข้าป่าล่าสัตว์แค่บริเวณใกล้ๆไม่กล้าเข้าไปลึกมากนักด้วยเพราะรู้ว่าตนเองไม่มีวิชาอาคมพอที่จะป้องกันตนเองในป่าลึกได้ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันแต่ปกติทั้งสองคนนี้จะเข้าป่าไปล่าสัตว์จะล่าสัตว์กันคนละที่อยู่แล้วเพราะป่ากว่างมากและอีกอย่างพรานล่าสัตว์จะไม่นิยมเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันเป็นคู่ ยกเว้นในกรณีที่พ่อถ่ายทอดวิชาให้ลูกเท่านั้นวันหนึ่งพรานดำได้มปหาพรานแดงผู้เป็นเพื่อนรักโดยมาปรึกษาพรานแดงว่าเฮ้ย hey, ป่าทางด้านกูเนี่ยไม่ค่อยมีสัตว์ให้ล่าเลยวะ่ะทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หายหมดสงสัยพวกมันจะเข้าป่าลึกกันนะ่ะน่าจะไปกินโป่งนะ่ะแต่ช่วงเนี้ยเมียกูท้องแก่แล้วด้วยดิเป็นช่วงที่กูล่าสัตว์ไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไว้ซื้อยูกซื้อยาให้เมียกิน กูอยากจะเข้าป่าไปล่าสัตว์กับมึงเนี่ยเพื่อจะได้สัตว์ใหญ่ๆเอามาขายและเอาเงินมาแบ่งกันมึงมีความเห็นยังไงอ่ะพานแดงได้ฟังก็บอกว่ามึงจะเข้าป่ากับกู2คนเนี่นะสัตว์ใหญ่น่ะมันมีแน่แต่มึงอ่ะคิดดีแล้วเหรอไหนจะเรื่องซื้อสมิงผีป่าอีกล่ะไอตัวมึงก็ไม่ค่อยจะเข้าป่าลึกเลยนี่พรานดำก็ว่ากูก็ว่ากูก็เคยเข้าป่าลึกทางฝั่งกูมาสองาครั้งแล้วแหละ แต่ก็เพราะมีข่าวเกี่ยวกับเสือสมิงนี่แหละเลยทำให้กูไม่ค่อยอยากเข้าไปอีกแต่ถ้ว่าถ้าไปกับมึงเนี่ยกูก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะก็มึงเป็นคนที่มีวิชาอาคมอ่ะอย่างน้อยก็คงจะช่วยกูได้หรอกพรานแดงก็บอกว่ามันก็จริงสําหรับกูนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มึงนี่สิจะโดนมันหลอกเอามันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้เว้ยและอีกอย่างเมียมึงก็กําลังท้องแก่กูว่าสภาพจิตใจมึงอ่ะอาจจะไม่พร้อมนะพรานดําก็เอ่ยว่าเฮ้ย กูก็เป็นพรานเหมือนมึงเนี่ยนะไอเรื่องเสือสมิงทำไมกูจะไม่เคยฟังมึงอย่าดูถูกเพื่อนคนนี้สิวะพูดเหมือนกูกระจอกพานแดงก็บอกว่าในเมื่อมึงยืนกลางจะเข้าไปให้ได้กูก็จะพาเข้าไปแต่มึงต้องฟังคําของกูทุกอย่างสัญญากับกูก่อนนะก็ได้กูสัญญาพรานดําตอบไปและเวลาต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าซึ่งต้องเข้าไปตั้งแต่เที่ยงวันเพื่อเข้าไปเตรียมห้างไว้สสัตว์ ดยทั้งสองได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกและมองหาดินปูงซึ่งเป็นที่ที่สัตว์น้อยใหญ่จะไปรวมกันเพื่อกินอาหารจนทั้งสองได้เดินเข้าไปในป่าลึกมากพอสมควรในที่สุดก็เจอดินปูงขณะนั้นเวลาก็ล่วงเลย ม, มามากแล้วพรานแดงและพานดําช่วยกันตัดไม้เพื่อที่จะเอามาสร้างห้างไว้สําหรับนั่งตอนกลางคืนบรรยากาศเริ่มโพรโผล้เพล้แล้วจนในที่สุดทั้งสองก็สร้างห้างอยู่บนต้นไม้สําเร็จ จากนั้นพรานแดงก็ทำการขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ให้มีพวกผีมากวนขณะที่ตนล่าสัตว์จวบจนเวลามืดลงทั้งสองจึงได้ขึ้นไปนั่งบนห้างคืนวันนั้นเป็นคืนเดือนหงายเหมือนโชคจะเข้าข้างคนทั้งสองคนจึงพอที่จะทำให้มองเห็นพื้นข้างล่างทั้งสองนั่งบนห้างรอกันนานมากจนไม่รู้ว่าตอนนั้นกี่โมงกี่ยามกันแล้วรอแล้วก็รออีกแต่ก็ไม่มีพวกสัตว์แม้แต่ตัวเดียวมากินดินปงูง ทั้งคู่ก็นั่งรอกันไปเรื่อยๆนั่งรอกันไปเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็เผลอหลับแต่จูๆ่ๆเสียงคนหรือเสียงสัตว์เดินเหยียบไปไม้แห้งๆแกรกแกรกแกรกพรานแดงสะดุ้งตื่นด้วยสัญชาตยานแล้วก็หันไปสกิดเพื่อนทันทีให้ตื่นทั้งสองก็ตื่นมาไม่ได้พูดอะไรกันเพราะอาจจะทําให้สัตว์ตื่นตะหนกได้พรานแดงกวาดสายตามองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็มองไปที่ดินโปง่งก็ยังไม่พบตัวอะไร คืนนั้นเดินหงายมองเห็นชัดมากพรานแดงเริ่มใจคอไม่ดีเพราะปกติพวกสัตว์จะชอบดินโป่งมากแต่ถ้ว่าคืนนี้ทุกอย่างมันเงียบสงัดเกินไปเหตุใดจึงไม่มีสัตว์ตัวใดมากินโป่งกันเลยแล้วก็เมื่อกี้ยังมีเสียงแปล ก, ปลกทั้งทั้งไดคิดแล้วว่าน่าจะเป็นสัตว์แต่ก็ไม่ใช่เพราะบริเวณโดยรอบไม่มีสิ่งมีชีวิตปรากฏตร่างให้เห็นเลยพรานแดงรู้สึกไม่ค่อยดีหันมาจะเตือนพรานดำแต่ก่อนที่พลานแดงจะเอ่ยปากนั้น มีเสียงผู้หญิงตะโกนร้องมาทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าเจ้าของเสียงมาตอนไหนพี่แดงพี่แดงพี่แดงพี่แดงแย่แล้วแย่แล้วลูกเราอ่ะลูกเราอะมันไข้ขึ้นขี้เยวไม่ออกเลยพี่ลงมาหาฉันหน่อยดิฉันจะพาไปดูลูกพรานดำไม่รอช้าไอ้แดงรีบกลับบ้านไปดูลูกซึ่งวะพรานแดงขนาดนั้นรู้ว่าสิ่งที่มานั้นไม่ใช่เมียของตนแน่เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เมียของตนจะเดินฝ่าป่าผาดงเข้ามาได้ไกลขนาดนี้ ก็เลยแกล้งถามไปอีส้อยอีส้อยมึงเดินมาหากูได้ไงวะเนี่ยป่ามันลึกถึงขนาดนี้มึงไม่กลัวนึกไงเสือสมิงมันยิ่งปรากฏตัวออกบ่อยๆนะเว้ยช่วงนี้อีส้อยที่อยู่ข้างล่างก็รีบตอบว่าจะให้ทำยังไงล่ะพี่ก็ลูกเรามันป่วยอะจะตายอยู่แล้วกลัวยังไงฉันก็ต้องมานะพรานแดงรู้ว่าไม่ใช่เมียของตนเองแ น, น่แต่ก็ไม่อยากจะเอ็ดเพื่อนเดี๋ยวเสือสมิงมันจะรู้ตัว ก็เลยแกล้งเนีนเล่นตามบทบาทตามที่สิ่งที่อยู่ข้างล่างมันต้องการและจากนั้นก็ลงบันไดพรานแดงก็ตะโกนว่าอิสรยเดินนําหน้ากูเลยนะขณะที่ลงถึงพื้นนั้นพรานแดงก็ได้เอาปืนสะพายติดหลังไปด้วยพรานแดงก็แกล้งเดินตามไปเรื่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆจนอิสรยเมียของแกเดินผ่านเข้าไปในพุ่มไม้ซึ่งไม่ห่างจากห้างมากนะักจังหวะที่อิสรยหันหลังเดินอยู่นั้นพรานแดงได้หยิบปืนออกมายิงเปลี่ยงเข้าที่กลางหลังของอีสอย จังหวะนั้นอีส้อยล้มลงพรานแดงจึงหันหลังวิ่งกลับมาขึ้นห้างพรานดำได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้เลยตะโกนถามเลยมึงยิงอะไรวะมึงยิงอะไรวะแล้วเมียมึงละ่ะพรานแดงก็บอกมันไม่ใช่เมียกูมันเป็นเสือสมิงอา้าวงั้นมึงก็ฆ่ามันได้แล้วสิพรานดำถามพรานแดงก็ตอบว่าเปล่านั่นมันลูกปืนธรรมดาวเว้ยกู ว, ว่ามีงสัตว์ทั่วไปใครจะคิดว่าจะต้องเจอกับเสือสมิงวะตอนนั้นทั้งคู่เริ่มกลัวกันมากบรรยากาศรอบตัวยิ่งเงียบขึ้นเรื่อยๆ พรานแดงหายจากอาการรนและหวาดกลัวแล้วก็เตรียมตัวใส่กระสุนลงอาคมแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิคราวเนี้เสือสมิงก็ได้กลายร่างเป็นคนในหมู่บ้านบ้างไม่ว่าจะเป็นญาติของพรานแดงหรือคนที่รู้จักผัดเปลี่ยนเวียนหน้ากันมาเรื่อยๆแต่ยังไงพรานแดงกับพรานดําก็ไม่ลงจากห้างกันไปได้แต่มองมองมองจนได้มีร่างของคนคนนึงเดินโผล่ขึ้นมาจากราวป่าเป็นพรานในหมู่บ้านเดียวกันกับพรานแดงและพรานดํา เดินเหยียบเสียงใบไม้แห้งมาตอนนั้นเมฆเป็นเข้ามาบังเริ่มมองเห็นไม่ชัดแล้วคนนี้มาปรากฏตัวคือพานป่องพรานปองเดินเหยียบใบไม้แห้งและกิ่งไม้โผล่ตัวมาจากพุ่มไม้ตะโกนเรียกพรานแดงไอ้แดงไอ้แดงมึงรีบมาหากูเลยเมื่อกี้กูยิงเสือสมิ่งได้เว้ยมันคงเจ็บแล้วหนีไปไม่ไกลหรอกพรานดําได้ยินก็มันทันจะยั้งคิดจะพูดพลาดลงจากห้างแต่พรานแดงจับแขนเอาไว้นัน่นและจุดไฟตะเกียง แสงไฟจากตะเกียงส่องสว่างทำให้พรานดําหันไปมองเห็นหน้าพื้นอย่างชัดเจนมือที่กําแน่นกับใบหน้าของพรานแดงนั้นมันสื่อให้เห็นเลยว่าอย่าลงไปอย่าลงไปพรานดําเลยไหวตัวทันหยุดอยู่กับที่หลังจากที่พรานดําสงบลงแล้วพรานแดงก็หยิบตะเกียงโดยใช้แขนข้างหนึ่งที่ถือเหยียดแขนจนสุดเพื่อให้แสงสว่างตะเกียงมองเห็นพื้นที่อยู่ข้างล่างและมองเห็นคนที่มาเรียกมันจะใช่พรานป่องคนที่รู้จักหรือไม่ แสงสว่างส่องจากข้าบนไปข้างล่างปรากฏเป็นพรานป่องจริงๆแต่พรานป่องคนนี้มีสายตาที่พรานแดงไม่รู้จักเลยเราวกับเป็นคนละคนสายตาของพรานป่องนั้นจ้องมาที่หน้าของพรานแดงไม่กระพริบเราวกับว่าเครียดแค้นกันมาแต่ปางก่อนพรานแดงเหงื่อเริ่มตกแต่ทว่าพรานป่องยังคงยืนรออยู่ข้างล่างพรานแดงกับพรานดำรู้แล้วว่านั่นไม่ใช่พรานป่องพรานแดงนิ่งอยู่สักครู่จึงตัดสินใจตะโกนออกไปอีกครั้งพรานป่องอะ ม า, มาขึ้นมาเครื่องบนกันก่อนสิพวกเราคงตามเสือสมิงไปไม่ทันนันแหละยืนข้างล่างมันอันตรายนะเสียงตอบของพรานป่องก็ตอบว่าไม่ไม่ไม่ข้าเจ็บขาขึ้นไปไหว้หรอกอ้าวแล้วเมื่อกี้พรานป่องยังไม่บอกแล้วมาเจ็บขาได้นี่เห็นยืนอยู่ดีๆแต่จู่ๆมาปวดขาได้ยังไงหรือว่าเจ้าอะไม่ใช่พรานปองแต่เป็นเสือสมิงปลอมตัวมาพรานปองมองหน้าและยิ้มพร้อมกับโผลร่ดาดังๆ ผูกมึงสองคนไม่รอดถึงเช้าแน่พานแดงไม่ตอบอะไรได้แต่หยิบปืนขึ้นแล้วแกล้งไล่มลนคาถาปลอมๆแล้วยิงขู่ขึ้นไปบนฟ้าปังถ้ามึงยังคิดมาอีกกูจะยิงมึงให้ตายแน่ๆมึงก็น่าจะรู้ว่ากระสุนอาคมเป็นยังไงกูเป็นลูกของพสิงห์มึงก็น่าจะรู้จกักริดของลูกปืนพ่อกูมาแล้วไม่ใช่เหรอพรานป่องทำท่าเหมือนตกใจในคําขู่ตัดสินใจเดินกลับเข้าไปหลังพุ่มไม้ พรานดำหันมาถามว่าทำไมมึงไม่ยิงไอ้ปองเลยวะพลานแดงก็ตอบเฮ้ย <"Hey, S 1> กระสุนอาคมทำไม่ได้แล้วเนี่ยเด้เพราะมันขาดสิ่งของที่ต้องการกหลายอย่างที่จะทำให้ลูกปืนมันเกิดความศักดิ์สิทธิ์น่ะอีกอย่างกูก็ได้แค่ไร้เวทบวกกับของที่เตรียมมานิดหน่อยถ้ายิงมันลงไปก็ได้แค่แสบๆคันๆนั่นแหละและอีกอย่างของก็มีจำนวนจำกัดแต่กูก็พกมีดของพ่อกูที่เป็นมีดอาคมมาด้วยนะพ่อกูบอกว่าปราบสมิงได้สมัยเด็กพ่อกูบอกว่า ถ้าเข้าป่าสักวันหนึ่งและ้าท่าให้เสือสมิงให้ใช้มีดเนี้ยแทงเข้าที่ตัวมันเลยจะทําให้มันสิ้นดิษฐ์แล้วก็ซ้ําที่หัวใจมันอีกทีจะทําให้มันตายมีดนี้เป็นมรดกของตระกูลเราสืบทอดสู่รุ่นเว้ยพรานดําก็ได้แต่มองด้วยความอึ้งมันคงไม่ยุ่งกับพวกเราอีกแล้วแหละไอ้แดงเอ้ยพรานดําบอกฐานแดงก็บอกว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกวะกูยิงมันเข้ากลางหลังมันคงแค้นกูแหละกูมือนจะเห็นจากสายตาของมันแล้วนี่อีกอย่าง มึงก็หัดใจเย็นบ้างนะเดี๋ยวไม่ก็รู้หรอกว่ามึงใจวันไหวอ่อนไหวง่ายธานดําก็บอกเออเ อ, อ, เ อ, อก็รู้ละเพื่อนโทษทีเมื่อกี้เนี่ยแต่คราวนี้เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นระหว่างที่พธานแดงกาลังปลุกเสกกระสุนดินปืนอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนเหมือนคนเดินเร็วหรือกําลังวิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาที่ห้ามงธานดําหยิบตะเกียงขึ้นส่องปรากฏว่าร่างที่เห็นนั้นเป็นแม่ยายของตนซึ่งขณะที่ตนออกมาจากบ้านก็ได้ฝากฝังกับแม่ยายว่า ช่วยดูแลเมียตนด้วยขณะที่ตนไม่อยู่บ้านถ้าเกิดเหตุอันใดหรือมีเรื่องเร่งด่วนก็ให้รีบมาตามตนได้เลยเสียงเดินมาพร้อมกับเสียงของแม่ยายที่ตื่นตระหนกดำเอ้ยดำเอ้ยลูกเมียมึงมันใกล้จะคลอดแล้วลูกหมอตำแยนหมู่บ้านเราก็ไปอยู่มึงมึงรีบลงมาเร็วลงมาเร็วไปเรียกหมอตำแยที่หมู่บ้านอื่นมาทีกูจะขอยเฝ้าดูมันเองพรานดับได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นนั่งยองยองแต่ขณะเดียวกันพรานแดงก็เล็งปืนใส่แม่ยาย ของพรานดําแม่ยายเห็นก็ร้องลั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดาไอ้ดามึงช่วยกูด้วยไอ้แดงมันเป็นบ้าไปแล้วมันเลงปืนไป ú, ที่กูทําไมเนี่ยมันจะยิงกูเลยพลานดําด้วยความขาดสติคิดว่าเป็นแม่ยายของตนเองจริงๆจึงตัดสินใจปัดปืนของพรานแดงทำให้ปืนหลุดจากมือของพรานแดงร่วงหล่นลงไปข้างล่างวางอยู่ที่พื้นพรานแดงตะโกนไอ้ดามึงทําอะไรวะมันไม่ใช่แม่ยายมึงขณะที่พลานแดงพูดอยู่นั้นเหมือนพรานดําจะไม่ได้ฟังซะแล้ว เตรมตัวจะลงบันไดแต่ท้ว่าพรานแดงก็เอื้อมมือไปจับแขนไว้ให้นัน่นแต่ด้วยจิตใจของพรานดําที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้แม้อาจจะรั้งพรานดําไว้ได้พรานดําก็ชากมือหลุดเพราะจิตใจของต้นนั้นเป็นห่วงเมียและลูกที่อยู่ในท้องมากทําให้ปิดหูปิดตาไม่ฟังคําเพื่อนพรานแดงก็พยายามรั้งสุดกําลังแล้วจนในที่สุดพลานดําก็ลงไปถึงพื้นพรานดําตะโกนปะ่ะแม่รีบไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการและพรานดําก็รีบเดินตามแม่ยายไป มันเป็นเวลาขณะเดียวกับที่พรานแดงช่วยอากาศลงจากห้างเพื่อมาเก็บปืนแล้วรีบปีนขึ้นห้างกลับไปโดยทันทีถึงตนจะพอมีวิชาแต่ก็ไม่สามารถที่จะตามไปช่วยเพื่อนได้เพราะพรานดำรีบร้อนเกินเหตุถ้าตามไปอาจจะได้ตายทั้งคู่พรานแดงได้แต่นั่งอยู่บนห้างแล้วก็คลุ่นคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่ความคิดมันสับสนบวกกับความเงียบทําให้สมองของพรานแดงล้ามากจึงทําให้เผลอหลับไปขณะที่หลับก็ได้ฝันเห็นเพื่อนของตนเอง ซึ่งก็คือพรานดำในความฝันเห็นพรานดำยืนอยู่ที่พื้นข้างล่างแต่สภาพน่ากลัวมากเสื้อผ้าขาดเลือดไหลเต็มหน้าแล้วพรานดำก็พูดกับพรานแดงว่าแดงแดงเอ้ยเพื่อนตอนมึงกลับอะมึงอย่าลืมเอาศพกูกลับไปด้วยนะกูคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ละเสือสมิงมันกักวิญ ญ, ญาณกูไว้ในป่าปังพรานแดสะดุ้มมันมีเสียงปืนแทรกเข้ามา ระยะไม่น่าจะห่างจากห้างมากนะักเป็นเสียงที่ชัดเจนมากถึงขนาดทําให้พลานแดงสะดุ้งตื่นจากความฝันพลานแดงเหลือไปเห็นพรานดําที่ยืนอยู่ข้างล่างแต่สภาพปกติดีทุกอย่างเฮ้ยแดงเมื่อกี้กูแกล้งหลงกลมันะ่ะพราะศพอากาศไม่ได้ทัระวังตัวกูก็รีบยิงมาจากข้างหลังเลยและก็ะถิ้งปืนวิ่งมาหามึงเนี่ยพรานแดงมองลงไปด้วยแววตาที่สงสารเพราะในใจนั้นรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของตนเองแล้วแต่ก็แกล้งทําเนียน แกงเล่นตามบทเพื่อหวังจะแก้แค้นให้เพื่อนพรานแดงบอกได้ได้ได้รอ ก, กูเดี๋ยวนะมึงอย่าพิ่งรีบไปพรานแดงก็สไพปืนถือย่ามและตะเกียงปีนลงมาจากห้างพอลงมาถึงพื้นพรานแดงก็บอกว่าเฮ้ยดำมึงนำทางกูหน่อยเดี๋ยวมันจะหนีไปไกลพรานดำก็บอกได้ได้ได้เอาตะเกียงมาให้กูดิพรานแดงก็ยื่นตะเกียงให้พรานดำแล้วทั้งสองก็เดินลัดเลาะป่าไปเรื่อยๆ จูๆ่ๆเหมือนพลานแดงจะเดินไปสะดุดอะไรเข้าพลานแดงหยุดยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วหยิบปืนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ควักมีดออกมาจากกระเป๋าย่ามเดบไว้กลางหลังขณะเดียวกันนั้นพลานดำก็หันหน้ามาหาพลานแดงแล้วก็ทิ้งตะเกียงลงพื้นเสียงตะเกียงตกลงพื้นดังตุบแต่ไฟนั้นไม่ดับขณะนั้นเองพลานแดงซึ่งตั้งปืนจ่ออยู่ด้านหลังพลานดำไว้ก่อนหน้าแล้วก็ทําการเหนี่ยวไกออกไปทันทีอย่างไม่ลังเลปังพลานดำเหมือนยังไม่ทันได้ตั้งตัว เซธลาไปเพราะแดงของลูกปืนอาคมที่เข้ากลางอกเต็มๆพรานดำที่กําลังจะวิ่งเข้าหาพรานแดงนั้นถึงกับหยุดสุดตัวนั่งลงคุกเขา่าพรานแดงรู้ดีว่ากระสุนอาคมที่ปลุกเสกมานั้นมันไม่ครบองค์ไม่อาจจะรั้งสือสมิงไว้ได้นานพรานแดงเดินเข้าไปหาพรานดำทันทีพรานดำเงยหน้าพูดแทรกกับมาว่าไอ้แดงมึงยิงกูทำไมวะพรานแดงไม่สนใจในคําถามนั้นควักมีดที่อยู่กลางหลังออกมาแทงเข้าที่ร่างของพรานดำครั้งหนึ่ง พรานดำซุดลงไปอีกทีนึงหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้เพราะโดนริดมีดอาคมนั้นในที่สุดพานแดงก็ดึงมีดออกแล้วก็แทงตรงไปที่หัวใจของพานดําพานดําร้องด้ยวยความเจ็บปวดแต่เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงไม่ใช่เสียงของพานดํา<อ>จากนั้นพานดําก็ล้มลงไปกองกับพื้นร่างของพานดําก็กลับค่อยๆกลายเป็นเสือนอนแน่นิ่งตรงนั้นพานแดงก็หยิบตะเกียงขึ้นส่อง แล้วก็ต้องอึ้งไม่เห็นร่างของพรานดํำที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างเท้าของตนเองสภาพศพมีแผลเวะหวะตามตัวเสื้อผ้าขาดวิ่นแต่ยังคงสภาพความเป็นคนอยู่คาดว่าเสือสมิงจะยังไม่ทันกินแค่ข่าไว้เป็นอาหารเฉยๆพรานแดงรู้สึกสลดใจน้ําตาไหลที่ต้องพาเพื่อนรักเข้ามาตายเขาจึงตัดสินใจแล่หนังเสือสมิงที่นอนแน่นิ่งตรงนั้นโดยเลือกเอาส่วนที่จะเอาไปทําเสื้อผ้าหรือผ้าคลุมได้ และศพเสือตัวนั้นเผาทิ้มแบกร่างเพื่อนที่ไร้วิญญาณออกมาจากป่าเข้าไปในหมู่บ้านผู้เป็นเมียได้เห็นศพของสามีก็ร้องไห้แทบใจจะขาดพรานแดงก็บอกว่าไอ้ดำมันคงรักมือกับลูกมากมันถึงกับขาดสติไม่สนใจชีวิตของตัวมันเองจนพลาดทาให้เสือสมิงตัวกูก็พยายามสุดกำลังแล้วที่จะปราบ ม, มันไว้เสียงร้องไห้ระงมไปทั่วหบ้านของพรานดำ พรานแดงก็ได้นําหนังสือไปขายได้เงินมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ได้นําเงินทั้งหมดที่ขายได้มานั้นมอบให้เมียของพรานดําเอาไว้ทําศบสามีและเป็นค่าอยู่ค่ายาให้กับลูกและตนเองเพราะนี่คือความปรารถนาของพรานดําก่อนที่จะเข้าไปในป่าลึกจากนั้นเรื่องนี้ก็ได้เล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานและนี่ก็คือเรื่องราวของพรานแดงกับพรานดําที่ผมได้นํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับก็ขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ ขอให้มีความสุขกับการได้รับฟังนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ